ใจทำลายใส่เจ้าของขวนัง่งพระนั่งสมาธิภาวนาดอก่ากุศลาให้เจ้าของสร้างกุศลให้เจ้าของทรัพย์สมบัติบุญกุศลนี่นะคือทรัพย์สมบสัติภายในทรัพย<ด>์ก็เรียวว่านี้ยวอย่างว่าธรรมสมบัติบัตรของจิตของใจตั้งท่าตั<ด>้งทางดีๆแล้วก็ ตรงใจออกมาแล้วกับทำบทได้บทหนึ่งทำบริกรรมคำภาวนาผม ก, ก็ให้มันสงบไปเลยไม่ต้องบ้างว่างไปเลยผมมันดีเป็นฐานฐานหลักจิตหลักใจของเราจิตสงบทาทาใจก็จะพูดเรื่องกัดที่ลงมาเกิดได้ยังไงจะพูดฟังนั่งฟังไปด้วย ก็ตามไม่ได้ยินก็ดามให้เข้าสามารถที่ไปรดกิจสงบจงมาเกิดก็ต้องอาศัยใาศัุณอาศัยความประสงค์จึงมาเกิดได้ไเกิดไม่ได้สักเราเป็นภาษาบาลีว่าปุณของพระพุทธเจ้าอประการของพระธรรม38 ของพระอริยสงฆ์มีอยู่สิบหกับพุทธคุณนั่นลนะพุทธคุณห้าสิบหธรรมคุณ3ามสิบแปดังฆคุณส4บสี่รวมเป็นเท่าไหร่เป็นร<อ>้อยแปดก็เอามาสวดเป็นอีกติปิโส ร, ร้ 108. อยแปดก็เอาไปจากนี่แหละแยกมาเขียนเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่นละ ไปก็เงี่ยว่าอีโซ่ร้อยแปดฟังเพราะว่าอย่างนั้นนะที่จริงมันบอกไปจากนี่นะครับว่าร้อยแปดรอยปดสวดได้ก็สวดไปท่องเอาอได้ผมสวดย่อๆเอาได้สวอย่างเราพาสวดอีพีโซ่เราก็สวากาโตสุปฏิปโนเมายาโ ก, กว่าพุทโทธธรรมโสังโค ว่าอย่างนี้ก็จบเหมือนกันนะพูดที่ท่องไม่ได้เพราะว่าย่อๆเอาอิทธิรรปิโสร้อยแย่อลงมาเดี๋ยวอยู่พุทโธธรทมโมสังโฆย่อลงมาดูอันเดียวคือพุทโธพุทโธ ท, ที่ให้ภาวนาอย่างภาวนาเอาพุทโธเห็นพุทโธหลายที่ลงมาเกิดก็าอาศัยบุญกุศลคืออาศัย คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์รงมาเกิดได้แรีว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณอยู่ห้บคุณของพระพุทธเจ้ามีอยู่ห้าสบพเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแยกเป็น ทำไปก่อนเรียกว่านะโมแยกออกเป็นคำก็เป็นห้าคำด้วยกันนะ1โม2พุทธ3าา4ยะ5นะเรียกว่านะโมพุทธายะนะมพุทธายะคำว่านะโมพุทธายะนะคืออะไรนะก็ ลาบสับเดิมก็มาจากคําว่านทีว่าแม่น้ำน้ำแม่น้ํานี่ไม่ไม่อยู่ที่อืน่นครับว่านาทีแต่ว่าแม่น้ําแต่ว่าไปอยู่ที่อืน่นครับวนาโมนาโมคำวานนะวานทีแต่ว่าแม่น้ําหรือถ่านน้ําเรียกว่าถ่านของแม่สองอย่าง ห้าสิบสองอย่างมีมากันกองสมพบพรวมกันเข้าใสเหมือนน้ำเนยเนยใสกันกองสมพบพกันลงไปใสติดอยู่ขนทรายเหยดข้างนี่แหละพูดง่ายๆคือน้ำไปจําเดือ น, นพูดปิดปิดบังๆไว้เฉยๆพูดเปิดเผยว่า สมพบกันกองกันรวมเข้าเป็นน้ำประจําเดือนของแม่ธาตุแม่ธาตุน้ำเขาจึงเรียกน้ํ า, าว่าแม่น้ําแม่น้ำแม่น้ําคำวมาแม่นี่เย็นน้ําิบสองอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้นี้ตากน้ํานดะีไหลไปจนถึงได้บสองอย่างพบกันกองกันรวมเข้าเป็นประจำเดือน เรียกว่าธาตุน้ำที่นี้โมโมคือธาตุดินคือธาตุพ่อได้มาจากพ่อดินก็มีธาดดินก็มีอยู่ยีสบเอดอย่างอย่างไหลไปจนนั่นที่เราสวดอยู่นี่เราสวดอยู่ยี่สิบอย่างธาดดินยี่สิบอย่างสมัยพุทธกาลท่านสวดท่านพูดเป็นยีบ็ดอย่าง จะไปต่อกันที่มัทเจมัทเจนี่ท่านว่ากระบอกศรีรษะเลยต่างกันอยู่ตรงนี้ที่ว่ายีอดมัทเจคือกระบอกศรีรษะกระโหลกหัวนั่นแหละกระโหลกศรีรษะนี่นะมัททะลุงคันคือสมองก็มาแยกออกอีกอย่างนี้นะได้มาเพิ่มเป็นยีสบอดอย่างธาตุดิน เป็นธาตุพ่อนะกันกองสมบุกันออกไปเป็นน้ําอสุจิพ่อกับแม่ร่วมสังหวาดกันําน้ําก็เข้าไปผสมกั น, นธาตุดินกับธาตุน้ํามันได้มาอย่างนี้นะอธิบายให้ฟังบางคนธาตุดินธาตุน้ําอาจจะได้มาอย่างไหนไม่รู้มันได้มาอย่างนี้ทีนี้ก็มี โมพุทธตัวพุทธนี่คือตัววิญญาณตัวผู้รู้ตัวพุทธะคือผู้รู้รู้หรือเรียกว่าวิญญาณนี่เรียกว่าตัวจิตตัวใจหรือว่าตัวสัตว์นี่แะพุทธะโมพุทธาพุทธตทนี้ตัวพุทธนี่ก็มีอยู่วัตถุเป็นวัตถุธาตุมีอยู่ หอย่างคือความรู้ทางตาความรู้ทางหูนี่นะความรู้ทางจมูกความรู้ทางหินความรู้ทางกายความรู้ทางใจความรู้อันนี้นะรู้นี่นะตัวพุทธะรู้นี่เนะี่ยเปรียบเสมือนบ่วงแก้วอยู่ภายในนเรียกว่าศีล คนเกิดมาต้องมีอัจฉริยะ6อย่างนี้ครบพร้อมจึงเรียกว่าคนถ้าไม่มีอัจฉระทั้ง6นี่ก็เรียกว่าเกิดมาไม่สมประกอบตาไม่มีหูนิตาบอดหูหนวกก็เรียกว่าไม่สมประกอบปากแหวงจมูกแหวงนี่นะเรียกว่าไม่สมประกอบ ตัวพุทธนี่มีอยู่คือวัตถุหกได้แก่จกักขุวัตถุหรือเรียกว่าตาเนี่นยแกว้วตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละยานหูวิญญาณตาวิญญาณจมูกนี่เรียกว่าพุทธคือความรู้วิญ ญ, ญาณแปลว่าผู้รู้วิญ ญ, ญาณแปลว่าความรู้เป็นหกนี่อยู่หกตา ตัวทาตนี่ยแปลว่าอารมณ์อารมณ์ของคนก็มีอยู่เจ็ดอย่างอารมณ์ทางเกิดจากตาจากคารมนาวานเนี่ยที่เราสวดไปเมื่อกี้เกิดจากจากักรคุอารมณ์เกิดจากตาดูปาลัมมะังวานรูปนี้อารมณ์ที่เกิดจากรูปเกิดจากตาตากับรูปประทบกัน อารม์ที่เกิดจากหูเสียงกระทบกันก็เรียกว่าสัทธาละมมณังวาคันฑาละมมณังวารักษาละมมณังวาโพธพารัมมะนังวาธัมมาลมมะังวาจิตตาลมมะังวาธัมมาลมมะังวามีอยู่เจดอย่างอารมณ์มีอยู่เจดอย่างนะเจพรนะโมพุัตายะยะนี่ก็มาจากความว่าง แป่ว่าสุญญากาศลากศับเดิมว่าสุญญากาศความว่างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ะความว่างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ความว่างอยู่ที่ตาสองความว่างมีทั้งหมดสิบอย่างทางตาสองรูจมูกสองหูสองเป็นหแล้วทางปากหนึ่งเป็นเจทางทวารหนักทวารเบา เป็นเก้าอิบกับความว่างที่กระหม่อมศีรษะเรียกว่านะโมพุทธายะนะแปลว่านาทีแปลว่าธาตุแม่โมธาดุพ่อคือธาตุดินนะมีอยู่สิบสองอย่างธาตุน้ำสิบสองอย่างโมมีอยู่ยี่สิบเอ็ดอย่าง พุทธมีอยู่หอย่างพามีอยู่อารมณ์มีอยู่เจอย่างยะคือสุญญากาศความว่างอยู่ในกายเรานี่มีอยู่ส0บรวมกันก็เป็นห6สิหแต่จะต้องมาเกิดก็อาศัยคุณนนของพระพุทธเจ้าที่เรามาพูดกันว่าณนะโมพุท ธ, ธายะ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 阿拉โตสัมมาสัมพุทธัสสนน้นมโมหะคนก็เพี้ยนไปที่จริงน้มโมหะก็คือน้มโมพุทธายะนั่นนะเวลานั่นเราก็มาใช้น้มโมเป็นน้มโมหะเหมือนกันเวลาเราจะทําอะไรพิธีต่างๆก็ว่าน้มโมห้าจบอย่างที่บ้าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละ นโมพุทธายะที่นโมห้าอย่างมีห้าอย่างจริงๆคงเข้าใจนะนะแปลว่าธาตุน้ำมโมคือธาตุดินธาตุดินพุทธคือวิญญาณคือธาตุรู้ตาอารมณ์เจ็บ ยะคือสูญยากาศคือความว่างในก้อสนสกลกายเราเนี่แหละในตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาแล้วก็สมองของเราเนี่ศีรษะของเราเนี่ที่สมองว่างนี่รวมกันเป็นห6อย่างแต่จะมาเกิดก็ต้องอาศัยอันนี้ยิงมาเกิดได้ เมื่อพ่อกับแม่ร่วมสังวาดกันก็จะมีวิญญาณท่านเรียกว่าคนทันสมัยก่อนเรียกว่าคนทันลงมาเกิดลงมาถือผ้าบัานนะแต่ก่อนถือผ้าคนทันลงมาทันทพะท่านเรียกว่าคันทพะคนทันลงมาเกิดทันทพะ เดี๋ยวนี้เขาไม่เปลี่ยนเขาไม่พูดว่ามาถือพาแล้วแต่เมื่อก่อนคนเห็นผู้หญิงมีท้องเงินถามกันนะนางนา ง, นางจามีถือพาได้กี่เดือนแล้วว่างั้น น, ะนี่แหละถือพาเขไปว่าคนคันมาเกิดในคันเรียกว่าคันทพะเรียกว่ามาถือพาตั้งท้องเมื่ อ, อ ธาตุดินกับธาตุน้ำมาผสมกลมเกลือนกันแล้วก็จะมีธาตุูกคือวิญญาณนี่แหละลงมาปฏิสนธิในคันแยกพูดให้ฟังให้ละเอียดเข้าใจธาตุดินธาตุน้ำเราก็ได้มาจากธาตุน้ำได้มาจากแม่เมื่ออายุครบสิบสองปีถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องบวช เป็นเนนเพื่อตอบแทนบุญคุณของแม่ตอบแทนบุญคุณของแม่ถ้าคนไม่รู้จักคุณของแม่ไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าคนนั้นก็เป็นโจรตายไปแล้วอาจจะไปตกอบายภูมิถ้าใครไม่ได้บวชให้ไม่รู้จักคุณตอบแทนบุญคุณของแม่ถ้าตาน ม, มของแม่หรือถ้าพ่อก็เหมือนกัน มีท่าดินมียุ่ยสิบี่สิบเอ็ดมีละหากว่าอายุครบยี่สิบเอ็ดปีถ้าเป็นผู้ชายก็ตอบบวชตอบแทนบุญคุณของพ่อปยี่สิบเอ็ดปีก็บวชยี่สิบปียี่สบเอ็ดปีก็บวชตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่จูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์นิพพานป้าอย่างนั้นนะ ไม่ใช่บวชจูงเข้ากองไฟมันคนละเรื่องกันจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์อายุครบยี่สิบยี่บเอ็ดปีก็บวชจูงพ่อจูงแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะเนี่ยอันนี้แหละธาตุดินธาตุน้ำเราก็มาอาศัยธาตุนี่แหละสัตว์มาอาศัยธาตุนี่เกิดอะไรดินกับน้ำ ลงกลมกลืนกันคนทันหรือบิญญาณจึงลงมาปฏิสนธิให้คันก็เรียกว่าคันท พ, พะอาศัยธาตุลมคือลมหายใจของแม่อาศัยธาตุไฟความอบอุ่นอยู่ในท้องแม่นะ่อาศัยลมกับไฟอยู่ในท้องแม่เราจรึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นดัตเป็นบุคคลมันก็ไม่อยู่ที่ไหนนะก็อยู่ที่ตัวเราหมดเราพูดอยู่ในธาตุน้ำสิบสองอย่างก็อยู่ในตัวเราหมดธาตุดินยี่สิบอย่างยี่สิบเอ็ดอย่างก็อยู่ในนี่หมดธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ในนี่หมดไม่ได้พูดที่อื่นอินน้ําลมไฟนี่แหละเราคลอดออกมาก็มาอาศัยลมภายนอกแบบนี้ อาศัยความร้อนภายนอกมอคลอดออกจากท้องแม่มาก็มาอาศัยความร้อนภายนอกสร้างขึ้นมาเองอาศัยลมหายใจของเราแหละที่นีแต่ก่อนอาศัยลมหายใจของแม่อยู่ในท้องอินน้ำลมไฟนีก่อนมาเรียกกันรวมกันเรียกว่าลูกธรรมไม่มีใครสร้างขึ้นนะธรรมชาติสร้างขึ้นมา เรียกว่าลูกทำเรียกว่านามทำจะมาเกิดอารมณ์ละ่ะต่อยู่ในท้องนั่นแ่ะมันอารมณ์นี่มันเกิดตัดอยู่ในท้องมันก็มีอารมณ์เหมือนกันนะอีท้องแม่ซึ่งปังๆๆ้ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งใครมีใครมีรู้รู้จักอารมณ์ข้างในถ้าคนไหนขยันดิ้นบ่อยๆคนนั้นละ่ะทำงานเก่งขยัน คนไหนเชื่องชา้าเชื่องเื่องซึมไม่ค่อยดิ้นไม่ค่อยปรากฏ น, กนั่นออกมาก็นิสัยเหมือนนั้นนะออกมาออกมาก็มาอาศัยลมหายใจข้างนอกนี่แล้ะกินน้ำลมไฟสงเคราะห์ก็เรียกว่าลูกเขาไม่ไม่อยู่ที่อื่นส่วนตัวพุทธะตัวใจตัววิญญาณก็เรียกว่าน้ำพ่อแม่ยามาถือ ว่าสร้างลูกสร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้นะอันนี้มันนามเป็นผู้สร้างนามธรรมธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาดินน้ำลมไฟอากาศเป็นธรรมเป็นนามธรรมทั้ทงนั้นสร้างขึ้นมาไม่ใช่เจ้าของสร้างขึ้นมาจะมาถือว่าเป็นลูกเป็นอันนั้นเจ้าของจริงๆจังจังไม่ได้ ท่านจึงกล่าวว่าพ่อแม่พ่อแม่เนี่เปรียบเสมือนที่นาที่นาตววตัวลูกนี่หรือตัววิญญาณเนี่เปรียบเสมือนข้าวกล้าที่มาปักลงในนาเนี่ยอานาดีอาาดีก็ได้ข้าวดีอานาไม่ดีก็ข้าวก็ไม่ดี เหมือนกับเขาร้องเพลงนั่นแ่ะถ้านาดีเข้าปลูกดีตัววิญญาณที่ลงมาปฏิสนธินั่นเป็นคนมีบุญเรียกว่าเข้าปลูกพันธุ์ดีหวานลงในที่นาพ่อแม่เปรียบเสมือนที่นาส่วนตัวลูกที่มาเกิดนี่ก็เรียกว่าเปรียบเสมือน ข้าวกล้าที่เขาปลักดำอยู่ในนาเนีน่ยกลับมาถือว่าเป็นลูกเราก็ไม่ใช่นะถือเอาแต่สมมุติเฉยๆไม่ได้เป็นลูกของใครไหล่ไปละเอียดไม่ใช่ลูกของใครดินก็ไม่ใช่ดินของพ่อไล่ขึ้นไปพ่อทาตดินทาตโมนี่ก็ไม่ใช่พ่อพ่อเอาได้มาจากไหน ก็ได้มาจากพ่อของพ่อออกแม่ได้มาจากไหนก็ได้มาจากพ่อของแม่อีกไล่ขึ้นไปแม่ของแม่อีกไล่ขึ้นไปถ้าดินน้ำลงไฟเป็นเราเป็นของเราจริงๆเวลาพ่อแม่ตายไปพ่อแม่ก็ต้องเอาไปด้วยตายไปแล้วก็มาทิ้งไว้ในดินคือเกา่าไม่ได้เอาไปได้ไม่มีใครเอาไปได้สักคนดินกับน้ำมันเป็นธรรมชาติ ทำจัดสรรธรรมชาติสร้างขึ้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาตินี่ละเขามาเรียกว่าธาดดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือกายของเราคือลูกส่นวนน้ำสีมันก็อยู่ในนี้แหละ เัตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามสงเคราะห์เขาเรียกเป็นใจสี่อย่างเป็นกิริยาอาการของใจเดงจะพูดกว้างให้ฟังก็คือตัวเรานี่ก็พันสกลกายกเกิดขึ้นจากมหาภูตะรูปมหาภูตะรูปก็คือดินน้ำลมไฟสีอย่าง มหาพูตธรูปสี่แล้วก็เกิดอุปทายรูปยี่สิบสี่อย่างรวมเป็นยี่สิบแปดอย่างก้อนสกลกายเหล่านี้ยี่สิบแปดอย่างเป็นมหาพุตธรูปรูปใหญ่อันอุปทายรูปนั่นคือรูปที่มาอาศัยอยู่ในรูปใหญ่นี้นะให้เข้าใจอย่างนั้น แยกออกย่อยออกพิธนาสัญญาสังขารหนึ่คือน้ำยานหนึ่คือน้ำสีอาศัยอยู่ด้วยกันนี่แหละเขาจึงว่าเรีเรยกว่ามูลมูลมูลพ่อมูลแม่ดินนั่นดินก็คือมูลพ่อน้ำก็คือมูลแม่ มาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์สัตว์ลงมาอาศัยอยู่ในดินในน้ํานี่ท่านจึงมาแยกพูดอีก เ, อเรียกว่าดินน้ําลมไฟอากาศและความว่างนะั่นนะอากาศธาตุที่ว่าความว่างนะั่นนะดินน้ําลมไฟอากาศธาตุทั้งห้าอย่างนะี่เรียกว่าโอกาสโลกวิญญาณตัวพุทธะนี่ ตัวผู้รู้นี่ตัววิญญาณวิญญาณก็คือผู้รู้นั่นแหละเรียกว่าพุทธโธเรียกว่าพุทธะเรียกว่าพุทธนี่ก็ลงมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกโอกาสโลก เ, เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกวิญญาณนั่นแหะเรียกว่าคนทันวิญญาณ เ, เรียกว่าจิตเรียกว่าใจ มาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกวิญญาณก็เรียกว่าสัตว์โลกโอกาสโลกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกสัตว์โลกเป็นที่อยู่อาศัยของอ่าเอาสัตว์โลกก็มาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกเขาจึงเรียกว่ า, on, ก, าก้อนสกุลกายก้อนนั่นนี่แหลนะนี่ก้อนธรรมชาติธรรมดาเนเรียกว่าโลกอ่ะนี่แหละโลกคือหมู่สัตว์ว่างั้น นี่นหละที่ว่าสัตว์ลงมาอาศัยอยู่ในนี่สัตว์ก็คือวิญญาณนั่นแหละมาอาศัยอยู่ในโลกก้อนนี้ก้อนนี้จิงเรียกว่าโลกโลกใบน้อยในโลกกันนี้โอกาสโลกนี่ก็มีสัตว์โลกอยู่ภายในท่านจึงเรียกว่าสัตว์โลกก็ได้เรียกว่าโลกก็ได้ที่เขาก็เรียกว่าคนก็นี่แหละนี่นั่นนี่ บางทีก็ใช้ศัพท์เรียกว่าโลกอย่างหลวงตามหานะท่านเทศบ่อยๆท่านไม่ได้เรียกว่าคนนะท่านเรียกว่าโลกสอนโลกเขาแข่งกับโลกเขาพระนี่มาทำมาหาอยู่ให้กินแข่งกับโลกนะโลกก็คือคนนี่แหละโลกก็คือมูสัตว์นี่แหละนี่แหละสัตว์ที่มาอาศัยอยู่นี่ นี่หละที่ว่าอาศัยคุณของพระพุทธเจ้าที่พูดให้ฟังข้างต้นเรียกว่าพุทธคุณห้าสหมมะคุณ38มัดแต่ก็มาอาศัยนี่แหละมาเกิดทีนี้พอมาเกิดแล้วก็เขามาสมมติว่าเป็นโลกเขามาสมมติว่าเป็นคน เาสมมตว่าเรียกว่าขันห้ารูปหนึ่งน้ำสีก็เรียกว่าขันห้านี่เรียกว่าสังขารผสมปรุงแต่งไล่มาสมผสมปรุงแต่งกัตดินน้ําลมไฟอากาศจิน ญ, ญาณมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารโลกนี่สังขารโลกโลกภายนอกคือคนอื่นโลกภายในคือตัวเรา สังขารภายนอกคือนอกจากตัวเราออกไปสังขารภายในคือตัวเราเนี่ยมาแยกออกเป็นรูปหนึ่งนามสีรูปหนึ่งนามสีก็คือขันห้านี่ขันห้านี่ที่ท่านเรียกว่ากุศลมูลอย่างเงี้ยมูลเหตุแห่งกุศลอกุศลมูลมูลเหตุแห่งบาปอกุศล ก็มาเกิดจากนี้ท่านก็ขยายออกจากนี้มูลคือธาตุเก่าธาตุเดิมดินน้ำคือมูลคือธาตุธาตุเก่าธาตุเดิมที่เราได้มาจากพ่อจากแม่ธาตุดินธาตุน้ำลมดินน้ำลมไฟนี่เราได้มาจากพ่อจากแม่มูลพ่อมูลแม่มูลธาตุแปลว่ามูล ธาตุเปรอะของธาตุเปรอะของเก่าของเดิมเปว่ามูลเดิมคือดินน้ำลมไฟนี่เราได้มาจากไหนเราก็มา่ได้ได้ามาจากพ่อจากแม่เราจึงได้ว่ามูลพ่อมูลแม่เวลาท่านว่ากุศลมูลก็เอาอันห้านี่แหละเอากายวาจาจใจนี่ไปทําบุญทํากุศลอย่างเรามานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่ มาทําวัดส่วนมูอย่นี้ก็เรียกว่ากุศลมูลถ้าหากว่าเราเอากายวายใจใจไปทําบาปอกุศลเอามูลพ่อมูลแม่มูลเดิมธาตุดินน้ําลมไฟเรียกว่ามูลไปทําบาปอกุศลก็เรียกว่าอกุศลมูลไปฆ่าสรตว์ลักทรัพย์เอาพฤติผิดในกรรม ปดปวดมดเท็ดกินเหล้าเมาสุราเราเรียกว่าเอาเครื่องมือเครื่องใช้เอามูลเก่านี่ไปทําบาปเรียกว่าอากุศลมูลมันก็ไม่มีจากนี่นะอันพวกนี้มีแต่สมมุติทั้งนั้นสมมติว่าคนสมมติว่าสัตว์สมมติว่าลูกสมมติว่าน้ำสมมุติว่าจกายสมมุติว่าใจนี่แหละเราก็มาหลงก้อนสมมุตินี่แหละ สมมติมันก็บังไม่มุดอยู่อย่างนี้เราก็มาหลงสมมติหลงว่าเราหลงว่าเป็นเราจริงๆเขาสมมติว่าเราก็มาถือเอาว่าเป็นเราจริงๆขึ้นมาเมื่อใครด่าเข้ามาก็มาถูกเราทันทีเมื่อเขานินทามาก็มาถูกเราทันทีเมื่อตายเห็นรูป ก, ก็่าเราเห็นขึ้นมาทันทีนะจะมูกได้กลิ่นก็เราเหม็นเราหอมขึ้นมาทันที เขาใครเรามีอยู่จริงๆหรือเนี่เมื่อภาวนาไปพวกคนไปนั่นะเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนท่านจึงให้แยกธาตุแยกขันออกนะเอานานาทีคือน้ำน้ำสิบสองอย่างให้เราไหมละ่ะเราได้มาจากไหนได้มาจากแม่ ถ้าน้ำสิบสองอย่างเป็นแม่ของเราจริงๆของแม่จริงๆแม่ตายไปทําไมไม่เอาไปหรือแม่แบ่งให้ลูกแล้วมันอยู่ที่ไหนน้ําเป็นเราไหมเราเป็นน้ำไหมถามให้เข้าใจนี่เขาเรียกว่าย้อนขึ้นไปอ๋ออันนี้มันเกิดสัตว์ที่มาเกิดก็อาศัยคุณห้าสิบหกอย่าง อาศัยห้าสิบหอย่างจึงมาเกิดได้อาศัยดินอาศัยน้ําน้ําดินเราก็ได้มาจากธาตุพ่อพ่อรองให้มาได้มาจากธาตุพ่อน้ํำก็ได้มาจากธาตุแม่เมื่อดินน้ํามาประชุมกันมารวมกันปรุงแต่งกันขึ้นก็วิญญาณ คือตัวเราลงมาอาศัยอยู่ตัวเราอยู่ไหนล่ะตัวเราก็คือใจใจอยู่ไหนจิตอยู่ไหนใจอยู่ไห น, ไหนมีแต่ชื่อเฉยเฉยฉเรียกว่านา้ามีแต่น้ำมีแต่ชื่อตัวตนไม่มีไม่เคยใครเห็นจับเอาจิตเอาใจคนได้หรอกมันเป็นของละเอียดเป็นธาตุกายส์ค้นหาแก้ความหลงเจ้าของนั่นนะ นะก็มาจากน้ำไปจำเดือนของแม่โมก็มาจากดินน้ำอสุจิพ่อไล่ลงมาตัวไหนว่าเป็นเราหาค้นหาเราให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงทำไมยังไม่เรียกว่าเราว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าตัวว่าตนแยกธาตุแยกขันออกอย่างนี้ย้อนไปถึง ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดินกับน้ำลมไฟได้มาจากธรรมชาติน้ำทำเป็นผู้ภูมิแต่งขึ้นมาทำจัดสรรจัดแจงขึ้นมาย้อนหาไม่มีอะไรมีแต่ชื่อเฉยเฉยเอาแวะมาก็เสื่อมสลายลงไปไม่มีอะไรชื่อก็หมดไปเราก็ไม่มี สัต์ก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีไล่หาจริงๆอย่างนี้เลยนี่แหละมาเรียกว่าขันห้างมาเรียกว่ารูป ก, กับนามมาเรียกว่ากายวาจาใจก็สมมติทั้งนั้นสมมติทั้งหลายก็สมมติออกจากก้อนธาตกก้อนธรรมนี่แหละก้อนธรรมดาก้อนธรรมชาติก้อนธาตุสมมติออกจากมูลนี่แหละ มูลเก่ามูลเดิมมูลเก่ามูลเดิมของเราก็คือดินน้าลมไฟนี่แหละก้อนดินน้าลมไฟนี่นะยิงถูกเป็นก้อนสมมติอันนั้นยิงอธิบายให้ฟังว่าสมมติทั้งหลายนี่นะก็สมมุติออกมาจากกายกับใจนี่แหละสมมุติออกจากลูกกับน้ำนี่แหละสมมุติออกจากตัวเรานี่แหละ สมมติทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่กายกับใจกายกับใจก็ย่อลงมาเหลืออยู่ตัวเราก็สมมุติออกจากเรานี่ยไงกายกับใจก็กลายเป็นธาตุใจเป็นนายกายเป็นธาตุก็มาเหลืออยู่ใจใจเป็นผู้คุมกายเหลืออยู่กายเหลืออยู่ใจเหลืออยู่อยู่ใจอย่างเดียวนี่แหละสมมุติทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่เหลืออยู่ใจ ผู้สมมุติก่อยดูใจผู้ถูกสมมติก็อยู่นี่ผู้ไปถือสมมติก็อยู่นี่ลงมาเมื <c> ่อ <oughs> เอาสมมติถอดออกหมดถอดสมมติออกทิ้งหมดเพราะว่าสมตมติเนี่แหละมันบังมิมุิเอาไว้พอดทิ้งหมดอย่างบอกนะถอดเอาดินน้ำลมไฟทิ้งไป โออกทิ้งนี่ธาตุดินเอาทิ้งไปธาตุน้ำเอาทิ้งออกหนีไปแยกออกหนีไปลมไฟก็เอาออกหนีไปก็จะเหลือแต่ศูนยญยากาศคือความว่างเอาสมมุติออกหรือเอาออกทีละเล็กเล็น้อยก็ได้ผมเขาก็สมมติเอาผมออกผลเขาก็สมมติเอาขนออกทิ้งไปนี่ ก็เหมือนกันสมมุติทั้งหลายก็สมมุติออกจากกายนี่แหละถอดกายทิ้งไปหมดถอดดินทิ้งไปหมดถอดน้านทิ้งไปหมดลมไปเอาหนีหมดก็เหลือแต่ความบ้างไม่มีไม่มีคนคนไปไหนล่ะทีนี้สัตว์ไปไหนล่ะสัตว์ที่ว่าสัตว์คนไปไหนล่ะทีนี้ นี่แหละตัวสมมุติคนก็สมมุติเฉยๆเมื่อเอาทิ้งใบคนก็ไม่มีอดออกแล้วคนก็ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีคนก็ไม่มีตรงไหนแหละเป็นสัตว์อะวิญญาณตี่ไม่มีก็เป็นธาตุรุ่ยเฉยๆนี่แหละมันบังสมมติมันบงันบงวิมุติถ้าเอาสมมุติออกหมดก็จะเห็นวิมุติทันทีวิมุติ คืออะไรวีมุดฮะวีมุดมันคืออะไระเรียกว่าพระนิพพานได้ไหมวีมุดเรียกว่าสุญญาตาได้ไหมอนัตต า, าธาตุอนัตต า, าธรรมธาตุที่ไม่มีเจ้าของเอาออกไปหมดเจ้าของไม่มีอยู่นี่เพราะอันสกุลกายนี่เขาเรียกว่าอนัตต า, าธาตุอนัตตาธรรม ธาตุที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี้ทำพอทำไม่มีเจ้าของแต่เขาก็บัญญัติขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นมาจากาก้อนธาตุก้อนธรรมนี่แหละบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่เราก็มาหลงอยู่ตรงนี้แหละบัญญัติแปลว่าตั้งขึ้นตั้งชื่อสมมุติขึ้นมา ใช้ร่วมกันให้โรกเขาใช้ร่วมกันให้คนเขาใช้ร่วมกันให้พูดถูกกันใช้ถูกกันเรียกถูกกันสมมุติว่าผมอยู่หัวนี่เขาเรียกว่าผมนะอ่ ừ, มันอยู่คนละอย่างกันอยู่แขนอยู่ขาเขาเรียกว่าขนนั่นนะอย่ะไปเรียกว่าผมแขนก็ไม่เรียกผม ม, มันอยู่แขนไม่มีนี่แต่อยู่หัวนั่น ก็บัญญัติสมมุตนินีิผมก็เป็นธรรมไมชาติอันหนึ่งเห็นก้อนธาตุก้อนธรรมเขาก็บัญญัติสมมุติตั้งชื่อบัญญัติแปลว่าตั้งชื่อขึ้นมาบัญญัติธรรมตั้งชื่อขึ้นมาจากก้อนธาตุก้อนธรรมนี่ไม่ได้บัญญัติขึ้นจากที่อื่นหรอกเมื่อทอดบัญญัติสมมุติออกหมดก็เหลืออยู่ก้อน ก้อนธรรมคือเก่าก็คงเหลืออยู่ก้อนธรรมบ้าชาติอันเดียวเนี่ยายเป็นธรรมบัญญัติเสียแล้วนะั่นเขาบัญญัติตรสมมุติออกหมดก็เหลืออยู่หกเดิมตาก็เหลืออยู่เท่าเก่าหัวเหลืออยู่เท่าเก่าแต่คงเหลืออยู่แต่บัญญัติธรรมเท่านั้นเหลืออยู่แต่ก้อนธาตุก้อนธรรม แต่ก็อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเขาสมมติออกเขาเอาสมมติทิ้งออกหมดเอาผมทิ้งออกเอาขนทิ้งออกเอาเล็บทิ้งออกเอาฟันทิ้งออกเอากระดูกทิ้งออกเอาหนังทิ้งออกเอาอะไรออกหมดไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าปรมามัศธรรมเมื่อถึงขั้นปรมาทัธรรมไม่มีอะไร มีแต่ความพางเป็นศูญย์ตาว่างเปล่าเป็นธรรมชาติท่านจึงให้รู้ว่าจิงสมมุติจิงบัญญัติจิงปรมัตดสมมุติมันก็สมมุติออกจากก้อนสกุลกายก้อนนี้ก้อนธาตุก้อนธรรมก้อนอ น, นี้แหละให้พากันเข้าใจเอาสมมุติออกมดเอาตาโยนทิ้งเอาหูโยนทิออ้งเอาอะไรโยนทิ้งไปหมด เขาตั้งชื่อเฉยๆนะโยนทิ้งแล้วมันก็นั่งมันก็ น, king, น, oney, นั่งอยู่คือเก่านี่แหละเขาจึงเรียกว่าจริงสมมุติมันก็มีจริงๆคนก็มีจริงๆริงเนี่ยนั่งอยู่นี่แหละคนน่ะตามันก็มีจริงจรแต่ตามันก็มนกไม่รู้จักว่าตาเขา ม, มาตั้งสมมติให้ว่าเป็นตาต้องเข้าใจอย่างนั้นหูมันก็มีจริงจริงหูเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นหูแต่โลกเขามาสมมติให้เรียกว่าหู ใช่ร่วมกันน่ะถ้าอยู่นี่เรียกว่าหูนะ่ะถอดสมมุติออกทิ้งถอดตาออกหูจะหมูกลิ้นไกลออกก็เหลืออยู่เตะใจะสมุิสมุดนี่ตาก็เอามาทับลงใส่ก้อนสนกรกไกนี่หูก็มาทับใส่ เ, เอาสมมุติมาทับใส่มา เอาจมูกมาทับใส่เอาลิ้นมาทับใส่เอากายมาทับใส่ก็เป็นรูปทั้งหมดก็เรียกว่ารูปเอาททับใส่รูปนี่แหละก็เรียกว่ารูปรูปกายอาหูจมูกลิ้นส่วนใจก็เรียกว่าน้มกายกับใจนี่คนก็มาหลงอยู่ที่นี่แหละแก่ยอยู่อย่นี่ตลอดวันตลอดคืนนะ่ะ ให้มันหายหลงหายโ ง, ง่คนโ ง, ง่คนหลงมันก็มาหลงอยู่อย่างนี้ทําไมถึงหลงเพราะโ ง, ง่ถ้าฉลาดแล้วไม่หลงหดอกกันเพราะว่าเราโ ง, ง่อยู่เราจะมาฝึกให้มันหายโ ง, ง่มาอบรมจิตนะอบรมจิตให้มันหายโ ง, ง่หายหลงจิตคือผู้รู้ก็จริงอยู่นะ่ะเอาอะไรมาท่านให้มาทําจิตตภาวนานะ จิตภาวนาคือการอบรมจิตอบรมจิตเจ้าของเพราะว่าทําไมมาอบรมเพราะว่าจิตเป็นผู้รู้จริงอยู่แต่มันไปรู้แต่สมมุติไปรู้แต่สัญญาไปรู้ไม่จริงต้องมาอบรมจิตมาสอนจิตก็ตมาหลงนี่แหละหลงสมมุตินี่ไปรู้แต่สมมุติไปจําเอาแต่สมมุตินี่จําเอาแขนเอาขาว่าเป็นเล่าอยู่นี่ เอาหน้าเอาตาว่าเป็นเราจำเอาธาตุสีคขันหา้าว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเผาอยู่นี่ต้องมาอบรมมันใหม่มาสอนใหม่สอนใหม่สอนจิตใหม่อบรมจิตใหม่ให้มันหายหลงหายโง่ให้มันรู้จริงขึ้นมาให้มันรู้แจ้งแขงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมธรรสอนของพุทธเจ้าไปแปดมืนสี่พันพระธรรมมาขันหนึ่งย่อลงมาเหลืออยู่ห้าขันรูปหนึ่งน้ำสี่หนึ่งห้าขันหนึ่งย่อลงมาเหลืออยู่สามขันคือกายว า, จาใจใจนี่ย่อลงมาอยู่สองขันมันหลงคือกายกับใจคือรูปกับน้ำออดรูปออก ออดน้ำออกน้ำสีคือกิริยาอาการของใจดินน้ำลมไฟนี่คือก้อนสะกดไกายคือลูกส่วนน้ำสีสองข้อเรียกว่าใจเป็นกิริยาอาการของใจก็ถอดออกอยู่อย่างนี้น้ำสีสองข้อเรียกว่าใจมันเกิดจากใจแต่ไม่ใช่ใจเป็นกิริยาอาการของใจแล้วก็ถอดออกอยู่อย่างนี้ เขาเรียกว่าเวทนาเรียกว่าสัญญาความจำได้ไม่รู้หนึ่งเรียกว่าสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเรียกว่าวิญญาณความรู้ความรู้ทางหูทางตาทางจมูกทางนี่หรือความรู้แล้วว่าเราคิดอันนั้นอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันนะนี่ถอดออกไม่มีน้ำสีก็ไม่ใช่ใจแต่เกิดจากใจ เป็นกิริยาอาการของใจหรือจระนาจิตจิต8ปดบ้าดวงที่มันท่องเที่ยวไปอยู่ในภพนั้นภูมินี้นท่านเรียกวจระนแต่ว่าจไปอยู่ในโลกสามจระนาจิตทอดจระนาจิตออกก็ เ, เหลืออยู่ตัวรู้ตัวเดียวเท่านั้นตัวจิตแค่ใจเดิม เรียกว่าพุโทโธเรียกว่าวิสังขารเรียกว่าผู้รู้ถอดออกหมดอย่างนี้วิธีหานี่แหละมาหลงอยู่นี่มางมอยู่นี่ให้มันรู้แจ้งรู้แทงตลอดนี่แหละคาสอนของพระเจ้าไม่ได้สอนออกจากที่อื่นสอนนั้นออกจากก้อนสะกลกายอันกว้างสอกยาวานาคืบ เขียนออกได้แปดหมืนย่อลงมาก็เหลืออยู่ก้อนเดียวนี่เนี่ยก้อนธาตุก้อนธรรมนี่แหละอธิบายก็อธิบายออกจากนี่แหละมาสรุปลงก็สรุปลงตรงนี้แหละต้องขันหา่านตรงรูป ก, กับน้ำตรงใกล้กับใจสรุปลงเหลืออยู่ใจดวงเดียวใจมันตายไม่เป็นส่วน ธาสีดินน้ำลมไฟมันเสื่อมสลายมาลายศูนย์ไปได้ส่วนตัวใจตัวนามนี่มันตายไม่เป็นก็เหลืออยู่ใจดวงเดียวนี่ผู้จะไปสวรรค์ก็คือใจนี่ผู้จะไปพระนิพพานก็คือใจนี่แหละผู้จะไปเกิดในสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกก็คือใจตัวนี้แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นตายมันเป็นคนอยู่ท่านว่าแต่ใจมันเป็นเปรตท่า น, เ, น, เ, นเรียกว่ามนุษย์เปรโตเท่า น, นั้น ตายไปแล้วต้องไปเป็นเปรพวกนี้ตายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเป็นเทวดาก็เรียกว่ามนุษย์เทโวายตายมันเป็นคนอยู่เป็นมนุษย์อยู่แต่ใจมันเหมือนสัตว์สัตว์เดรัจฉานว่ายากสอนอยากพูดยากว่ายากว่าไม่นอนสอนไม่ได้เขาเรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานโน เหมือนเรื่องอย่างสัตว์สัตว์ก็ยังสอนได้คนแท้ๆสอนไม่ได้ท่านก็เรียกว่ามนุษย์เดรัสาโนเนี่ยมันไม่อยู่ไหนนะมนุษย์เทโวโอยนี่มนุษย์เปตก็อยู่นี่มันไปจากขันหานพวกนี้ไปจากกายกับใจใกายเป็นมนุษย์อยู่ใจมัน เป็นเปตเขาก็เรียกว่ามนุษย์เปโตมนุษย์ดีเลชาโนมนุษย์เทโวใจเป็นเทวดามีหิลิมีความละอายเสียใจนั่นน่ะมีโอตตะปะความสะดุ้งเกรงกลัวต่อใจเจ้าต่อบาศว์ต่อของกล้าไปทําบาปในที่รับที่แจ่งมนุษย์อย่างนี้เขาเรียกว่าเทวดาเขาเรียกว่ามนุษย์เทโว มนุษย์จะไปตกอบรรยายภูมิก็ไปนี่แหละใจยะผ่องมันต่ำมันซ้มพวกลบไม่ขึ้นบองไม่ขึ้นว่าไม่นอนสอนไม่ได้ว่าไม่ยาดา่าไม่ฟังแล้วหยาบพวกนี้ด้านดาหยาบหน้าด้านพูดไม่เอาไม่รู้จากบาปจากบุญแล้วพวกนี้ เอาหวังให้กายดีก็ไม่เอาละไม่ทําตามเนี่ยให้ว่าใจดีก็ไม่ทําตามเนี่ยให้ใจดีว่างันเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปพูดตามทําตามและอา่านี่แหละวันนี้ก็พูดเรื่องสัตสัตที่ลงมาเกิดมาอาศัยคุณ พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเกิดเป็นตัวเป็นตเนตเป็นสัตว์เป็นบุคคลมาเกิดอยู่ในแยกออกให้ฟังพุทธคุณหนึ่งมีห้าสิหอย่างอาเศียนเป็นตัวหนังสือก็เรียกว่าพุทธนะโมพุทธายแยกออกเป็นห้าอย่างนะหนึ่งโมสองพุทธสามธาสี่ ยะห้าณนะก็มาจากนทีแปลว่าแน่น้ำโมมาจากดินมาจากธาตุดินโมคือธาตุดินพุทคือธาตุรู้้าคืออารมณ์อารมณ์หกอารมณ์เจ็ดยะคือสุญญากาศความว่างอยู่ใ น, นพวกนี้แหละ มารวมกันจึงเรียกว่าดินน้าลมไฟอากาศวิญญาณหรเรียกว่าพุทธคุณห้าสบหอย่างมาสงเคราะห์รวมกันเข้าจึงมาเป็นตัวคนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็มาสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ก็เลยมาถืออุปทานยึดเอาถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาจริงจริงก็มาหลงอยู่นี่แล้วไปไหนไม่ได้ผู้เขาไม่หลงเขาก็เข้าพระนิพพานไปผู้ท่านไม่หลงผู้หลงก่อนมาตายแล้วตายเน่าตายเท่าตายแก่ตายเน่าตายหมินอยู่นี่และตายเล่นตายหัวอยู่นี่แล้ว ไมได้ไปเกิดที่ไหนตายแล้วก็เกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดต้องดับคบปัจจุบันได้ดับขันห้าได้ขันห้ามันเกิดมันตายอยู่เป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนั้นที่ท่านพูดจะทําทอะไรก็นอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าพระลหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงตัสลูชอบด้วยพระองค์เองขอนนาโมตัสาะนี่แลหละนโมพุท ธ, ธายะนี่แหละไม่ได้เป็นไหนคงเข้าใจนะณตัวณตัวโมน่เท่าที่ใจพวกผู้จังณจังโมเห็นแต่โมล่ำสิ่งเข้าสวยนี่ ทีนี่ให้รู้จักเสียณะคืออะไรโม่คืออะไรเอ่อเอาพากันตั้งใจให้จิตสงบใจทำให้จิตสงบฝืนภาวานาต้องฝืนนะไม่ฝืนกิเลสก็บอกถ้าไปอยู่ใกล้ก็มองเห็นแต่มอนนั่นแหละกิเลสสั่งงาน กิเลสก็คือใจนั่นแหละท่านเรียกว่าดวงมานมานก็คือใจนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนใจเจ้าของนะอันหนึ่งเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นมานอันหนึ่งเป็นธรรมท่านดูอย่างโลจียะอันหนึ่งเป็นธรรมเป็นโลกุตตะละใจมันก็แบ่งออกเป็นสองภาคมานพวกนี้จะสั่งตัวมานนั่นะ ดวงมานก็คือดวงใจเรานี่มันจะสั่นออกมาจากข้างในนี่กิเลสพูดหลายว่างั้นพูดหลายพูดไม่มีเรื่องไม่มีเล่าอะไรมันจะว่าไม่ถึงไม่อยู่สักทีเนี่ยนะมันจะบอกต่อต้านขึ้นมานพวกมานพวกนี้การต่อต้านการมาต่อสู้เราเนะี่ยเรียกว่าการลบกิเลสกับธรรมมันลบกัน มันลบกันอย่างนี้มันมาต่อต้านกันมาสั่งงานมาลบกับพระพุทธเจ้าถ้าไป่ฝืนสู้มันไม่ได้หรอกมนันเอาความเพียรเป็นตะบะเผามันเผาชวนมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ทําตามมันนั่งสู้ซะอย่าง ใจว่าล่ะแม่มี อ, อนะโมนะโมพุทธายะกับคันหาแม่เดียวกันวะล่ะแค่นี้แม่คํานะโมพูดให้ฟังเบอกให้ฟังพูดให้ฟังว่ามันเป็นอันเดียวกันนะคันหานามซีเกิดอารมณ์กับเมื่อกเกิดจากพุทธคุณ ถ้ามคุณสังขะคุ้นที่ห้องสวดอิติปิโสร้อยแปดเขาบอกจากนีย่อมากไม่ต้องสวดมากป้องพุทโธอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ยบแมนวะแม่มี่พุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรรมโอสังโฆมันเหย้าหลายแบบนี้เลยบว่าพุทโธธรรมโอสังโฆพุทโธธรมโอสังโฆก็มาย่อว่าพุทโธพุทโธตัวเดียว ก็ขึ้นใจตัวเดียวคือผพ้ลูขึ้นใจตัวเดียวเล้วพะฉะนั้นที่เขียนออกไปนี่เขียนออกจากใจดวงเดียวนี่เขียนออกทมจากทมดวงเดียวนี่จึงเรียกว่าธรรมิงอะไรก็ตามที่สมมติออกจากนี่เรียกว่าธรรมหมดสมมติธรรมสมมติออกใจดวงเดียวเ้าใจไปแั่นี้นะพุทธโตก็ขื้ใจนั่นแะ ถ้าโมก็เขื่อใจนั่นละ่ะสังโ้ก็เขื่อใจนั่นละ่ะสมมติ อ, มออกจาก ม, มีมดเมื่อไปเขาสามารถที่จเห็นพุโทโธนีนเ่เห็นพุลู่พุลู่นี่มันมันจะเป็นธรรมชาติอยู่ลู่ลู่เฉยเป็นธรรมชาติสว่างสวัยธรรมชาติอย่างนั้นก็เรียกว่าทำโมท่ท่าน ก็สมมุติว่าทำโม่ก็สมมติออกจากตัวเพียวกันนี่แหละไปสมมติอันนั้นอันนี้ก็คือใจนี่แหละไปสมมุติผู้ไปถือเอาสมมุติก็คือใจก็คือเรานี่ยนะเราก็สมมุติเฉยๆใจก็ไม่มีเราก็ไม่มีไล่ไปหาหมดไล่สมมุติออกหมดเอาใจว่าให้เนี่ย อ่าอิติปิโสลอยปดนี่ว่าท่องก็ได้พุทธโธธรรมโอสังโฆพุทธโธธรรมโอสังโฆก็จบอีติปิอยแปดเพราะว่ามันไปจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราก็มาท่องย่ อ, ยอๆเอาพุทธโธธรรมโอสังโฆพุทธโธธรรมโอสังโฆเท่านี้ถ้ามันยาวพุทธโธธรมโอสังโฆมันยาวก็ให้มาว่ารวมมาเรียกว่าพุทธโธตัวเดียว คนฉลาดน้อยก็ท่องเขาหมดแม่บอกคนฉลาดหน่อยคนฉลาดน้อยคือคนยังไงล่ะแม่แดงเหรคนฉลาดน้อยเขาไปท่องเอาหมดนี่ร้อยแปดอย่างคนที่เขาฉลาดมากเขาก็ไม่ท่องเขาก็ท่องเอาพุโทโธพุโทโธนั่งอยู่นี่ก็ว่าพุโทโธนอนอยู่ก็ว่าพุโทโธไม่ให้จิตนี้จกพุโทโธ กิดกับพุทโธเป็นอันเดียวกันนี่แหละให้มีสติซ้ำไปชัญญยะรู้ตัวอยู่ตัวเราก็คือพุทโธนั่นเย่ยก็ว่าพุทโธพุทโธสติ ก, รก็รู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนี่พุทโธตัอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยก็ออกไปเป็นลมหายใจเท่านั้น เราเรียกว่าใจลมหายใจพุทโธยังเหลืออยู่ลมมันออกมามื่กี้หนีไปตัวพุทโธยังเหลืออยู่คือเก่าตัวใจยังเหลืออยู่คือเก่าเขาจึงเรียกว่าลมหายใจนี่ไม่มีอะไรย่อให้ฟังหมดือย่อให้ฟังหมดพุทธคุณห้าสิบหกอย่างคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นที่นี่ อุบัติขึ้นจากก้อนนะกก้อนโมนี่มาหลงก็มาหลงก้อนนะกก้อนโมนี่พระพุทธเจ้าทุกอ ง, งอุบัติขึ้นจากนี่แหละนอกจากพระพุทธเจ้าสมัยไหนนาะเป็นอุบัติขึ้นจากไข่เป็นลูกนางพญากาเผือกออกจากไข่ป <c oughs> ระจับไม่ได้หรอก ที่ยิงออกมาจากก้อนหนะ้าก้อนโมไข่ก็ก้อนหนะ้าก้อนโมน่ะไข่แตบออกมาตัวกายมัน ก, ก็เป็นดินคือเก่าใช่ไหมละ่ะ<ม>น้ำเลือดน้ำหนองอยู่ในนั่นก็เป็นน้ำคือเก่าก็ออกมาจากก้อนหนะ้าก้อนโมนี่มาตัดสลูก็ตัดสลูที่หน้าที่โมมาดับลู้ได้ตัดสลู ไม่ได้ตัดลูที่อื่นฟังแล้วให้เข้าใจเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติตามลอกออกถอดหนถอดโมออกคงถอดเป็นแล้วเนาะถอดหนะถอดโมออกทิ้งหมดมันก็เหลือตั้งแต่ความว่างนี่เข้าใจไหมความว่างนี่แหละคือศูญญตาผู้ใดภาวนาเก่งๆแล้วไม่ไม่ไม หมดแล้วหมดหมดที่จะไปกําหนดปั๊บก็เอาขิดไปอยู่กับศูนยตาไปอยู่กับของไม่มีเลยท่านว่าศูนยตามหาปุริสาพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ศุาานย์ยะตานิพนิพานก็อยู่ที่ศูนยตานี่เอาสมาธิปั๊บจิตมันจะว่างลงไป ไม่เอาเอาจิตไปอยู่ที่อื่นเอาจิตอยู่กับสุญญาตานี่ยกับความว่างตลอดวันไม่มีอะไรงานอย่างอื่นไม่มีก็อยู่กับความว่างสู้อยู่อย่างนั้นคิดไปอย่างอื่นก็เข้าใจหมดความคิดมันเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลคิดไปทำไมมันจะเข้าใจหมดพวก น, นี คิดไปหาคนนั้นคนนั้นก็เป็นก้อนาธาตุก้อนธรรมเฉยเฉยไม่มีของลิเศษอยู่ในนั่นดินน้ําลมไฟมาประชุมกันเฉยเฉยถอดดินน้ําลมไฟออกทิ้งก็เป็นศูนยเนตาคือเก่าจะคิดไปหาอะไรหมดเรื่องคิดไปหาของไม่มีเพราะว่าเราหลงว่าเขามีเออคิดไปหาเขาพ่อพ่อหลงว่าเขามีถ้ารู้ว่าเราไม่มีแล้วจะไปคิด อะไรถ้ารู้เราไม่มีเขาก็ไม่มีเหมือนกันที่มีอยู่นี่ก็ก้อนธาตุก้อนทำต้องปฏิบัติรักษาธาตุขันเอาไว้รอลมหายใจขาดเท่านั้นอย่าไปหาอะไรหามาได้มันก็เอาไปไม่ได้รอกแบ้มือตายไปแล้วลมหายใจไม่ไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้อัดซาสับอัดซาสัลบไม่เข้าไปปรุงแต่งกายกายก็อยู่ไม่ได้ จะไปรอเอาอะไรหาเอาอะไรมาไม่มีใครหาไม่มีใครเอาไปได้เจ้าฟ้ามาหากษัตริย์ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายเหมือนกันจะไปอยู่โลกไหนก็ตายเหมือนกันหาที่โลกที่ไม่ตายนี่ยโลกที่ไม่ตายเรียกว่าสุขอันบร ม, มสุขตายไม่เป็นถ้าตายเป็นอยู่ไม่สุข สามแดนโลกธาตุนี่ยังมีเรียนไหว้ใต้เกิดอยู่ไม่ใช่สุขเอาบอลลมมาสุขสุบบอลลมบรลลมมาสุบก็คือพูดให้ฟังคือความบ้างเห็นแต่เรายังไม่ตายขันห้ากเกิดดับประรู้เท่าเอาทันมันสังขารคิดขึ้นก็เรียกว่าสังขารขันความคิดขึ้นความจําอันได้อันนี้ได้ก็คือสัญญาขันเท่านั้นความสเสวยอารมณ์ก็เวทนาเท่านั้น เป็นกิริยาอาการของใจเฉยๆเราจะไปถือเอาทําไมกิริยาอาการของใจเหมือนกับลวงตาเหยียดแขนนี่แหละผู้แขนนี่แหละหรือพูดอยู่นี่กับเป็นกิริยาอาการของกายเฉยๆเหยียดแขนคู่ขาเนี่ยก็เป็นกิริยาอาการของกายเฉยๆไม่ไ ม, ไม่ไม่มีตัวไม่มีตนเหยียดออกแล้วก็คู่เข้ามาอืม ก็กายนี่นแหละเป็นขุ่นเหยียดออกใครเหยียดใครบอกให้มันเหยียดตัวใจนี่แหละก็ลงมาตัวนี้ตัวเดียวจะไปหาอะไรกิริยาอาการของกายเราก็ไปจับเอากายทํางานน่อยทำอันนั้นอันนี้ก็กิริยาอาการของกายที่นี่จิตไปสเสวยอารมณ์จิตไปนึกคิดปรุงแต่งจิตไปจําอารมณ์จําได้ไหมรูก้ก็เป็น งานของจิตงานของกายงานของใจเราไปถือเอางานมาเป็นเรามาเป็นตัวของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยวุ่นวายอยู่เราถือเอาอาการของใจมาเป็นใจหาเข้าไปถอดพวกนี้ออกหมดอบอกทุกวันสอนอยู่ทุกวันให้มันเข้าใจเข้าใจแล้วจะได้อยู่กับสุญญตาได้ตลอดวัน อยากอยู่ไหมหละ่ะเหรอยายพินแม่พินอ ย, อยากอยู่กับสุญญาตาไหมหละ่ะอย่าที่พ่อเพื่อพูดให้ฟังเนี่ยเหรอเรออสุญญาตาเนี่ยถอดผัสสคขั้นห้าออกหมดเหลือแต่ความว่างเปล่านี่ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ชื่อเฉยเฉยไม่มีพวกนี้มีแต่สมมุติเฉยเฉย ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในนี่ถอดทิ้งหมดพยายามถอดอยู่ทุกวันทุกคืนมันถึงจะเห็นสุญญาตาเมื่อเห็นแล้วมันคิดไปหาอะไรคิดไปหา <c oughs> คิดไปหาสมมุติความคิดมันก็สมมุติขึ้นมาปูุงแต่งขึ้นมาเออมันเอาอะไรมาเป็นอาหารของมันก็เอาสัญญาอารมณ์นี่แหละ มาประกอบจิตของเราจิตเราจึงนึกคิดปรุงแต่งได้จึงเรียกว่าสังขาร ม, มันไม่ไม่ได้เอาอะไรมาปรุงมาแต่งมันก็เอาสัญญาอารมณ์ที่เราจำได้ไม้รู้นี่แหละมาปรุงมาแต่งขึ้นมาแล้วปรุงแต่งขึ้นมานไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ไปถือว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั่นตัวนี้แหละมันตัวสำคัญสำคัญตนสาคัญตนว่ามีเรามีเขา สำคัญตนแปลว่าอะไรล่ะเ อ, อแปลว่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแปลว่ารู้ไม่จริงแปลว่าหลงหลงว่ามีตัวมีตน้นสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาก็ามีแค่นี้แทบดับเอาพวกนี้ได้มันบอกมอดคงเข้าใจนาะคงเข้าใจนาะแม่ไรเนาะเข้าใจใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นคน ขึ้นมาใจก็หลวงใจใจก็หลวงเจ้าของเอา้าเลิกไป <c oughs>